พญานาคฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นจากข้อ คณะที่ท่านเช่นเทวบุตรเทวธิดาอินพรมพญานาคครุฑยักษ์กุมภัณฑ์คนธรรมธรรม และพูดผีปีศาจที่ๆอยู่เสมอๆที่นครพนม ได้ได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระนาคอยู่แถบลำ ยิ่งวันเข้าพรรษาและวันเช่น เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นทุดงไปประเพ็ญเพียรอยู่ ละมักมากันมากมายในบาง พระอาจารย์มันพักบําเพ็ญเพียรอยู่เชิงๆ พวกเวลาขนาดนี้ก็มีนาคๆ มากอาราธนาๆเพื่อโปรดพวกเขาเมื่อครั้งพระอาจารย์ ท่านจะหลีกเลี่ยงออกไปเที่ยววิเวกองค์ โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านแสดงเมตตา ในท้องในกระเพาะมนุษย์จึงเต็มไปด้วยซาก ทำให้ซิอิสราเอลเหียนรากทนไม่ไหวไม่ พวกเทวดาก็ไม่กล้าต้องเดินอ้อมไปทางอื่นบางครั้ง พญานาคใช้ให้บริวารมาไม่ สมัยเมื่อครั้งท่านไปพักบําเพ็ญเพียรอยู่ซ่อน พญานาคตนนี้ไม่ได้ปรากฏร่างออกมาให้พระอาจารย์มั่นเห็นด้วยสายตาธรรมดานาคตนนี้ไม่ได้ปรากฏร่าง พญานาคตนนี้